ก็ขอโมทนากับญาติโยมทุกๆ ท, ท่านนะต่อก่อนจะบญญรรยายทมก็ในภาคต่อไปก็จะสาธยายบูชาคุณของพุทธเจ้านะตามประเพณีที่จะกล่าวก็ทำในคาถา ในการกล่าวที่บอกว่านะโมตสสะพระควาโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสสะเป็นต้นนนั้หรืออิติปิโสพระควาอรหังสัมมาสัมพุทโธเป็นต้นอันนั้นเป็นการกล่าวในการที่จะนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าทีนี้ในการนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นนะท่านก็จะกล่าวในการที่พลนาสรรเสริญคุณ เริ่มตั้งแต่นาโมตัสสะเป็นต้นเลยนะแม่ในบทนาโมตัสสะ พ, พัคขวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธสะเป็นต้นเนี่ยท่านก็จะกล่าวนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างคําว่านาโมเนี่ยถ้าพารนาตามรัตนะท่ามาลาที่ท่านจะร้อยเป็นคาถาเป็นคําสอนเข้ามาท่านะบอกว่าที่มหานามาสการาคาถาเทวะ นราสะโพอเนเกสุบเวสุติงสปารมีนมามิศิรสานิจจังปุเรตวะอาคโตวรังโมคังนาโทอภิชันโตเวยังหิตตวหาธราทักขัง โมดังวเนสุดุการังนา ม, ามิศิราซาดารังพระนราสพระหรือพระนราศพพระผู้มีวระภาคทรงบำเพ็ญบา ร, รมีสามสิบทัศอันต่างด้วยทานบา ร, รมีศีลบา ร, รมีเนคขมะบา ร, รมี ปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีและอุเบกขาบารมีอุปบารมีสิบและก็บรมัทธบารมีสิบพระนราสภะผู้ทรงบำเพ็ญบารมี30ทัศนับพบนับชาติไม่ถ่วนถ้าเราสืบค้นจากพระกัมพีทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นกัมพีในทางด้านของโสตตกีมหานิทานสัมปราวิบากที่เราจะบรรยายกันเป็นต้น หรือคำพีหลังๆที่ท่านพรณานามาเนี่ยท่านก็พยายามสืบค้นเกี่ยวกับชีวประวัติเส้นทางในการบาเพ็ญบา ร, รมีของพระผู้มีพภาคเจ้าในการเป็นพระโพธิสัตว์ได้กล่าวมาแล้วบอกว่าสัตว์นี่นะก็แปลว่าผู้คล้องอยู่ในสังสารวัตรก็คือคล้องอยู่ในตาหูจมูกเล่นกายใจคล้องอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ข้องอยู่ในการมาพบรูปพบแล้วก็รูปพบไม่สามารถจะออกจากสังสารวัตได้ก็แปลว่าสัตว์ก็แปลผู้ค้องแต่ถ้าหากว่าสัตว์ผู้ใดหานกล้าในการที่จะเงยศีรษะของตนเองนั้นออกจากวัตะหมายความว่าน้อมนํากระแสของขันปกติในกระแสของนอามธรรมของสัตว์ทั้งหลายแม้รูปธรรมเป็นต้นของสัตว์ทั้งหลายก็จะติดเป็นไปอยู่กับวัตถะ ที่พระพุทธเจ้านั้นทรงมีพระปัญญาอย่างหนึ่งที่ว่าโลกวิทูเป็นผู้รู้แจ้งโลกรู้แจ้งโลกในที่นั้นก็หมายความว่ารู้แจ้งสังขารละโลกรู้แจ้งสัตว์ตวโลกแล้วก็รู้แจ้งโอกาสโลกรู้แจ้งสังขารละโลกก็คือพระองค์รู้จักรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณของสัตว์ทั้งหลายที่มากมายยิ่งด้วยแสนโกฎจักราวาลทั้งหลายนั้นน่ กระแสของสัพพัญญุตะยานของพระบรมศาสดานั้นสามารถตรวจดูกระแสของสังสารขัและโลกของสัตว์ทั้งหลายอันต่างด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เป็นไปในสังสารวัฏได้ทุกกระแสขันธ์ฉะนั้นกระแสของสังขารและโลกก็เป็นไปอยู่เนี่ยทีนี้มีการประชุมสังขารและโลกณที่ใดการสมมุติว่าสัตว์ตวโลกก็มีณที่ตรงนั้น เช่นถ้าหากว่ากระแสของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไปประชุมในใบยพูมิก็เรียกว่าผู้นั้นคือสัตว์นรกถ้ามาประชุมในเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกเป็นต้นก็เรียกสัตว์เหล่านั้นว่าเป็นแต่ละชนิดกันนั้นคันว่าสัตว์ดาโลกก็มีเพราะอาศัยสังขารที่ประชุมกันนะที่ตรงนั้นทีนี้ถ้ามาประชุมรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมาประชุมในมนุษย์มาประชุมในเทวภูมิในประชุมใน พรหมวพูมเป็นต้นเหล่านี้ก็เรียกสัตว์เหล่านั้นตามพบตามภูมินั้นเขาเรียกว่าสัตว์ที่ติดและที่คล่องอยู่ในสังขารในอยู่คําว่าสัตว์และอย่างหนึ่งก็คือว่าเมื่อมีการประชุมของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณไม่ว่าจะต่างด้วยขันห้าขันสี่หรือขันหนึ่งภาชนะที่อยู่อาศัยของสังขารลโลกนั้นก็เรียกว่าโอกาสาโลกหรือภาชนะโลก ฉะนั้นความเป็นไปของสังขารและโลกสัตว์ตโลกและก็โอกาสโลกเนี่ยก็เกี่ยวเนื่องกันมาด้วยอย่างนี้ถามว่าภาชนะโลกที่เกิดขึ้นแต่ละใบนั้นเป็นภาชนะรองรับกรรมของสัตว์ใช่ไหมก็เป็นภาชนะที่จะรองรับกรรมของสัตว์ถ้าสัตว์ทั้งหลายไม่มีสัตว์ทั้งหลายไม่ทํากรรมภาชนะโลกอันนี้จะมาจากที่ไหนท่านยังบอกว่านี่ไง มันเกี่ยวเนื่องกับกรรมทั้งๆ ท, ท, ที่เกิดจากอุตุชลูกก็เลยมีกรรมของเราท่านทั้งหลายนี่แหละเป็นปัจจัยในการที่เราท่านทั้งหลายจะต้องมาเวียนว่ายตายเกิดแล้วก็อยู่นี้ถ้าไม่คิดออกเลยอ่ะไม่งโงศีระออกเลยจากสังขารลโลกสัตว์ตวโลกแล้วก็โอกาสโลกก็เป็นได้แค่สัตว์ตวโลก <c oughs> แต่ถ้าหากว่ามีผู้ใด ที่หานกล้าในการที่ไม่ต้องการจะคิดติดข้องอยู่ในโลกทั้ง3ประการนี้แล้วถ้าความคิดออกเมื่อไหร่ปรารถนาจะพ้นจะพ้นเป็นระดับสัมมาสัมโพธิหรือปัจเจกโพธิหรือสาวกโพธิอันนั้นเขาเรียกว่าโพธิแล้วก็ต่อคําว่าสัตย์แปลว่าสัตว์ผู้มีความหานกล้าหรือมีความคิดในการที่จะออกไปจาก โลกทั้งสามต้องการที่จะทำให้ตนเองนั้นพ้นจากความเป็นสัตว์ธรรมดาคือผู้คล่องกลายเป็นโพธิสัตว์สัตว์ที่คิดจะตัดสุ้สัตว์ที่ปราถนาจะตัดสุ้สัตว์ที่มีศรัทธาในการที่จะออกจากสังสารวัฏเพื่อจะไปเป็นตัตตสุ้เราท่านทั้งหลายถามว่าเราได้บ่มเพาะวิธีคิดตรงนี้หรื อ, อยังถ้าไม่ได้บ่มเพาะวิธีคิดตรงนี้ถามบอกว่า เราก็จะกลายเป็นบุคคลที่ท่องเที่ยวไปในสังสารวัตอีกยาวนานเมื่อเราท่องเที่ยวไปในสังสารวัตอีกยาวนานนั้นถามว่าเวลาเจ็บปวดเราก็เจ็บปวดแล้วอย่างยาวนานแล้วเราก็ลืมปวดเจ็บปวดแล้วก็ลืมกันมาอย่า ง, างที่ได้กล่าวไว้เมื่อตอนเช้าที่บอกว่าเราเคยเป็นมาหมดแล้วกรรมทุกชนิดเราทามาหมดแล้วเหลือกรรมอยู่อย่างเดียวที่ยังไม่ได้ทาก็คือมรรคกรรม คือกรรมในการที่จะเป็นโสดาบันสกาทาคานาคาพระหลหันกรรมเหล่านี้เรายังไม่ได้ทำเท่านั้นเองโลกุตละมักโลกุตละกรรมทั้งหลายยังไม่เคยเกิดขึ้นในกระแสขันของเราท่านทั้งหลายนั้นกรรมที่เป็นโลกิยากรรมทั้งหลายทั้งเป็นกุศลกรรมและอกุศลกรรมนั้นที่ไม่เคยทําที่ไม่เคยเกิดขึ้นไม่เคยมีทีนี้ในช่วงเช้าที่พูดในตอนนี้ว่าพระนาราสภะผู้ทรงบําเพ็ญบา ร, รมี30สิทัศนับพบนับชาติไม่ทุวนได้เสด็จมาดีแล้ว หมายความว่าพระองค์เนี่ยเป็นสุขตะเป็นสุขโตเนี่นะทรงเสด็จมาดีก็หมายความบอกว่าพระองค์เนีเสด็จมาเพื่อจะแจกอะไรสติปทานสมาปาปทานอิทิบาทอินทรีพระละโพชง์แล้วก็เรียมักแล้วพระองค์ก็เสด็จไปดีแล้วพระองค์เสด็จไปเพื่อพระองค์เดินตามเอกายนามักก็คือพระองค์ฉลาดในมักนะนะทำมักที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นใช่ไหมแล้วก็ แพ่วทางทางนี้ที่บุคคลอื่นไม่ได้ไม่เขียนไม่หาไม่พบเนี่ยพระองค์ก็แพ่าทางทางนี้แล้วก็เชิญชว น, นสัตว์ทั้งหลายบอกว่าทางนี้สิสัตว์ทั้งหลายบอกถ้าท่านทั้งหลายปรารถนาความบริสุทธิ์ความหมดจดท่านให้เดินมาทางนี้หมดจดจากหมดจดจากราคาโทสะโมหะจากมานะทิฐิวิจิกิชา้าหิริกาโนตบายและอุทะจักถ้าท่านทั้งหลายปรารถนาจะบริสุทธิ์จากกิเลส อาสะวะกิเลสทั้งหลายท่านก็ดําเนินตามทางเราหมายของพระพุทธเจ้าท่านเชิญชวนอย่างนี้ท่านถึงบอกใช้คําว่าท่านเสด็จไปดีและอย่างทางที่ท่านเสด็จไปนั้นเสด็จไปเพื่อจะบริญิพานแปลว่าถ้าหากเดินตามท่านดําเนินตามปฏิปทาที่ท่านเดินแล้วเนี่ยเราท่านทั้งหลายจะได้ไม่ต้องมาเจ็บปวดในการที่จะต้องแบกขันธภาระอย่างที่พูดเมื่อเช้าว่าขันธภาระนี่เราแบกกันขึ้นในขณะปฏิสนธิขณะเรายกขันธภาระก ข, ขึ้นมา และเราก็มาบริหารขันธภาละยกขันธภาระขึ้นมาเบีดเสร็จก็ต้องมาบริหารในการยืนการเดินการนั่งการนอนการคูกา ร, นนกา ร, การเหยียดจะต้องทํากิจต่างๆมากมายแล้วมันเป็นเรื่องซ้ำซากเป็นเรื่องซ้ำซากเป็นเรื่องจําเจเป็นเรื่องจําทนที่จะต้องมาทําก็อยู่เนี่ยที่เราจะต้องมาดูแลตาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอนกระดูกเยื่อในกระดูกมามัวใจไตตับเป็นต้นอะไรเนี่ยมันเป็นความทรมานมันเป็นความเจ็บปวดได้ซ้ำาป แล้วที่มันน่าเจะบปวดอยู่อย่างก็คือเราไม่เห็นหนทางหลายๆท่านไม่เห็นหนทางแลยังไม่พอยังไม่พยายามที่จะมาศึกษาหนทางแล้วก็เดินตามท่านทีนี้ที่ไม่มาศึกษาหนทางไม่เดินตามท่านเนะ่เพราะว่าศรัทธาในท่านน้อยเหตุที่ผลในเหตุผลในการศรัทธาในท่านน้อยก็คือว่าเราไม่รู้จักพระพุทธเจ้าว่าพระองค์นั้นน่ะพระองค์นั้นมีพระประสงค์อะไรในเราท่านทั้งหลายถ้าบอกว่า ที่คาสอนที่ว่าพันธาราสภะผู้บงเพ็ญบารมีสาสิบนับพบนับชาติไม่ท่วนเสด็จมาดีแล้วเนี่ยข้าพเจ้าขอนอบน้อมพันธาราสภะผู้ประเสริฐพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวเป็นนิดเป็นนิดหมายความว่าอยู่ตลอดเวลาท่านถึงบอกว่าถ้าท่านเข้าใจพุทธานุสติหมายความว่า ถ้าท่านตั้งศรัทธานในการตัดสู้ดีของพระพุทธเจ้าหรือตั้งศรัทธานในการจะเจริญพุทธานุสติตั้งเจตนาหรือปัญญาในเจตในการที่จะเจริญพุท ธ, ธานุสติได้เนี่ยถามว่าไม่มีขณะไหนที่จเจริญพุท ธ, ธานุสติไม่ได้ไม่ไม่ว่าจะอยู่ในียาบุไหนแม้ในชั้นของพระตถาคตอาจารย์แม้ชั้นพรอดีกาอาจารย์ท่านก็รับรองว่าแม้พระพุทธเจ้าก็รับรองไว่าไม่มีขณะใดที่จเจริญพุทธคุณไม่ได้ นั้นพุทธคุณนั้นจเจริญได้ทุกๆอียาบทบุคคลที่จเจริญพุทธคุณไม่ได้คือหนึ่งคนที่มีอสัิยะคือคนที่ไม่มีศรัทธาคนที่ไม่มีปัญญาคนไม่มีเจตนาในการที่จะนอบน้อมบูพุทธเจ้าคนที่ไม่เข้าใจพุทธเจ้าเท่านั้นเองที่จเจริญพุทธคุณไม่ได้ฉะนั้นการเจริญพุทธคุณนั้นจเจริญได้ทุกียาบทพระนาถทรงปราถนามโมฆธรรม สระพระราชะโอรสและพระมเหสีทั้งสองพร้อมทั้งแว่นแคว้นน้อยใหญ่อย่างมากมายทรงรื่นลมแล้วในภัยสนในคราวที่บําเพ็ญเนกขมมะเป็นต้นข้าพเจ้าขอนอบน้อมไหวาาพระนาถาผู้กระทําสิ่งที่ทําได้ยากยิ่งพระองค์นั้นด้วยเสียนกล้าวถามว่าในขณะที่นอบน้อมพระบรมศาสดาคิดถึงคุณของพระผู้มีภาคเจ้าต้องรู้ด้วยตอนนั้นสัตทินรียเป็นประธานไหม ปัญญีนีเป็นประธานไหมหรือเจตนาเป็นประธานไหมนํากลุ่มนมามธรรมทั้งหลายนะ่นนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าไหมถ้ากลุ่มนามธรรมา ท, ท, ที่เป็นกุศลจิตวบาตรของท่านทั้งหลายกําลังนอบน้อมระลึกถึงคุณของพระบรมศาสดาอยู่แม้รูปธรรมของท่านทั้งหลายที่มีหาทยะวัตถุเป็นต้นนั้นก็ชื่อว่าเหมือนกระเรือนทองของพระเจดีเหมือนกระองค์พระเจดีย ที่บรรจุพระธรรมของพระผู้มีภาคเจ้าที่บรรจุคุณของพระผู้มีพรภาคเจ้าที่บรรจุคุณของพระธรรมแล้วก็คุณของพระเดียสงฆ์พระตะนตรายกาลังปรากฏอยู่ในกระแสขันของท่านฉะนั้นขันของท่านจึงเป็นเหมือนเจดียทองที่น่าเคารพถามว่าแล้วธรรมมาเจดียคืออะไรธรรมมาเจดียคือสถานที่บรรจุพระธรรมใช่ไหม แล้วตอนนั้นน่ะห้องใจของเราท่านทั้งหลายกําลังบรรจุพระธรรมของพระพุทธเจ้ากําลังระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าแล้วนั้นไม่เรียกว่า JD, เจดีย์แล้วจะเรียกว่าอะไรแต่ถามว่าเราจะให้เจดีทองเกิดขึ้นในใจเราได้นานไหมเออท่านมีความรอบรู้ในการที่จะตั้งจิตให้เป็นอุปจารสมาธิในการที่จะตั้งมั่นในคุณของพระบรมศาสดาไหมถามว่าคนที่จะตั้งมั่นในคุณของพระบรมศาสดาได้เนี่ยก็ต้องเห็นคุณของพระบรมศาสดาจริงๆ ว่าในาขณะที่เห็นคุณของพระบรมศาสดาในขณะนั้นน่ยแปลว่าเขานอบน้อมอย่างคำวันะโมอย่างนี้ก็แปลว่าเขานอบน้อมเขากราบว่าอยู่เป็นนิตนี่ยกราบไหว้ใครเขาใช้อะไรกราบว่ากายวันธนาคือการนอบน้อมด้วยกายใช่ไหมวจีวรรธนาก็คือการนอบน้อมด้วยวาจาเมโนวรนธนาคือการนอบน้อมด้วยใจเมื่อใจนอบน้อมแล้วเป็นปัจจัยแก่กายเป็นปัจจัยแก่วาจาในการที่นอบน้อมฉะนั้น ลักษณะนั้นก็เรียกว่ากายะบรนามวจีบนามแล้วก็มโนบนามปรรนานบนามะในที่นั้นก็แปลว่านอบน้อมการนอบน้อมนั้นอบน้อมนั้นทักนอบน้อมแบบเข้าใจจะไม่เป็นลาภวันนาถ้านอบน้อมแบบเข้าใจจะไม่เป็นพยาวันนาจะไม่เป็นกุลาจารวันนาแต่จะเป็นอภิวันทนาจะเป็นการนอบน้อมด้วยกายด้วยวาจาด้วยด้วยจิตใจอย่างลึกซึ้งอย่างมีความเข้าใจ ไม่นอบน้อมด้วยศรัทธาเทียมแต่เป็นการนอบน้อมด้วยศรัทธาแท้ใช่ไหมครับที่พูดถึงศรัทธาทีนี้เมื่อเช้าเมื่อตอนช่วงเช้าก็พูดในเรื่องการว่าในขณะที่นอบน้อมเป็นต้นเนี่ยถามว่าปัญญาก็ดีศรัทธา ก, ก็ดีเจตนาก็ดีเนี่ยถามว่าเป็นขันน่ะอะไรเป็นสังขาระขันจําคุณของพระพูทมีภาคเจ้าได้ถ้าเกี่ยวกับสติเป็นสังขารละขันถ้าเกี่ยวกับสัญญาเป็นสัญญาขัน จิตมีความสุขเอิบอิ่มเกิดปีติเกิดสมนัสเกิดความสุขออันนั้นเป็นเวทนาขันในขณะที่จิตใจก็ปรุงแต่งในการที่เห็นคุณของพระบรมศ า, าศาสดาเกิดความปีติปลาโมตปัสสธิสภาวะที่ปรุงแต่งเป็นสังขารละขันกล่มวิญญาณขันเป็นใหญ่เป็นประธานยังไที่อมโนปังกามดมามโนเซธามโนมายาเห็นไหมคือใจเป็นใหญ่ในที่นั้นถามว่าใจอะไร ถ้าใจเป็นกุศลกุศลจิตตัวนั้นตัวมโนวิญญาณนี่แหละเป็นใหญ่เป็นวิญญาณขันให้วิญญาณอขันเหล่านั้นนี่แหละเป็นใหญ่เป็นตัวน้อมเป็นใหญ่ของสภาวะของธรรมทั้งหลายธรรมก็คือเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์ถ้าธรรมเหล่านั้นมีใจเป็นใหญ่ถ้าใจปุทศลายอันนั้นโทสะเป็นใหญ่ก็คือจิตที่เป็นโทสะเป็นใหญ่ แต่ถ้าใจที่เป็นไปกับศรัทธาที่เป็นไปกับเจตนา ท, ที่เป็นไปกับปัญญาในการนอบน้อมคุณพระเจ้าอันนั้นเป็นกุศลจิตวิบาทเป็นใหญ่มหากุศลแจิตเป็นใหญ่ตรงนี้ไงเขาเรียกใจเป็นใหญ่ใจนั้นก็อยู่ในฐานะเป็นประธานของธทำทั้งหลายทำทั้งหลายในที่นั้นก็กลุ่มนามมารม ท, ที่เป็นเวทนาขันสัญญาขันแล้วก็สังขารละขันทีนี้ในขณะที่นอบน้อมเบ็ดเสร็จถามว่าในขณะที่ท่านทั้งหลายเนี่ยนะ ยังเข้าใจในพื้นฐานเบื้องต้นในการนอบน้อมการเข้าใจในพื้นฐานเบื้องต้นนั้นเป็นสัตว์บุคคลผู้นอบน้อมอยู่อ๋อเราหญิงผู้นั้นกําลังนอบน้อมอยู่ชายผู้นั้นกําลังนอบน้อมอยู่เด็กผู้นั้นกําลังนอบน้อมพระบรมศาสตรสดาอยู่ว้หนุ่มผู้นั้นกําลังนอบน้อมพระบรมศาสดาดูหรือผู้ที่สูงอายุผู้นั้นกําลังนอบน้อมพระบรมศาสดาอยู่เป็นต้นความเป็นสัตว์ความเป็นบุคคลกําลังนอบน้อมอยู่ แต่เมื่อการนอบน้อมเป็นไปด้วยการศึกษาเรียนรู้ฟังพระธรรมมากขึ้นพระธรรมก็จะเริ่มขัดเกลากระแสของนามธรรมรูปรธรรมของท่านเหล่านั้นนะนะทำให้นามธรรมของท่านเหล่านั้นนะ่ะเริ่มผ่องใสเริ่มสะอาดเกิดจากอะไรเกิดจากสัตทินรีย์ที่ได้กล่าวไว้ฉะนั้นเมื่อสัตทินรีย์ตั้งไว้ในคุณของพระบรมศาสดาตัวสัตทินรียนั้นนะ่ะก็เป็นสภาวะที่ผ่องใสดังที่พระยามิรินถามพระนาคเษน พระนาคเสด็ก็บอกขอถวายพระพรนะศรัทธามีลักษณะผ่องใสเป็นลักษณะที่นี้ลักษณะผ่องใสเป็นลักษณะนั้นเนี่ยนะจิตของจิตของสตินรียก็คือว่ามีการกําจัดอะไรกําจัดความขุ่นมัวความกลุ่มมัวของใจก็คือเป็นชื่อของถามว่าใจขลิขุนมัวเพราะอำนาจของกาลมฉันท้พยาบาทีนะมีท้าอุทะจักกุกุจักแล้วก็วิจิกิจฉา ให้ความลังเลสงสัยเป็นต้นเหล่านี้เป็นปัจจัยทําให้จิตใจนั้นขุนมัวเป็นจิตใจนั้นอึดอาดเป็นจิตใจนั้นไม่คล่องแคล่วในกุศลธรรมทั้งหลายทีนี้ถ้าสภาวะของสัตธินรีเกิดขึ้นในขณะนั้นท่านผู้นั้นกําลังระลึกถึงคุณของพระบรมศาสดาเป็นต้นอยู่ในขณะที่ระลึกถึงคุณพระบรมศาสดาอยู่นั้นนะ น, นะจากที่กระแสจิตที่เป็นศรัทธาแท้ไม่ใช่เป็นศรัทธาเทียม เพราะศรัทธาเทียมองธรรมได้แก่มิจฉาทิโมกมิจฉาทิโมกมันเป็นอธิโมกเจตสิกที่เกิดร่วมกันกับอกุศลจิตุบาบาทฉะนั้นมิจฉาทิโมกเนี่ยเวลามันเกิดขึ้นมามันก็เป็นไปด้วยอำนาจการตัดใจแล้วก็น้อมใจที่จะเชื่อเหมือนกันแต่มันมีตัณหาเกิดร่วมมันมีอกุศลแลธรรมอลา ม, มกเป็นต้นเกิดร่วมในที่สุดจริงๆแล้วศรัทธานั้นมันก็ไปตั้งไว้ในวัตถุที่ผิดพลาด พอไปตั้งไว้ในวัตถุที่ผิดพลาดก็ไปตั้งในเกี่ยวกับปุรณะคาสอนของปุรณะกสปมะมคคลยโคสาลอชิตาเกสกัมพลสัญชัยเวะระบุตรปักุฏธากัจยานะนิครนนาตบุตรเป็นต้นถ้าไปตั้งไว้ในคําสอนที่ผิดๆเหล่านั้นซึ่งเป็นคําสอนที่มีอยู่คู่โลกเป็นคําสอนที่มีอยู่ประจําโลกท่านทั้งหลายเราท่านทั้งหลายที่นั่งกันอยู่ในทีน่เนี้เคยเป็นผู้มีความเห็นผิดแบบนั้นมาแล้ว แต่ด้วยความที่ไม่ฝังแน่นมันก็ยังหลุดออกมาได้แต่เชื่อไหมว่าไอ้เชื้อเก่ามันยังมีอยู่ถ้าตราบใดน่ะเราไม่รีบเร่งเพียรพยายามในการที่จะละมิจฉาทิฐิเหล่านั้นโดยความขมขักขม่นหรือ้วยความบากบัน่นในที่สุดจริงๆเราก็กลับกลายไปเป็นศัตรูกับพระพุทธเจ้าและพระธรรมพระริยาสงฆ์เราก็น่าน่าสมเพศตัวเอง ถึงบอกว่าเมื่อเชา้าถึงบอกว่าท่านทั้งหลายบ่าบุคคลที่น่ากรุณาที่สุดคือเราเองไม่ใช่ใครนั้นควรจะเจริญกรุณาให้กับตนเองให้มากว่าในสังสารวัตรที่ผ่านมาตนเองเนี่ยละหกละเหินมาอย่างยาวไกลแล้วผู้ที่เดินทางไกลทั้งหลายแล้วก็ไล่จุดหมายแล้วก็ไม่รู้จะไปจบนาะที่ตรงไหนเนี่ยนะเป็นสิ่งที่น่ากลัว ตราบใดเราท่านทั้งหลายยังมีสัตตินรีย์แค่เนี้ยมีวิริยินทรีย์แค่เนี้ยมีสตินรียสมาตินรีและปัญญีนีแค่ที่เป็นอยู่เนี้ยหรือมีอิทธิบาทใช่ไหมฉันทิติบาทวิริยิธิบาทจิตติทิบาทวิมังสิทธิบาทแค่อย่างเนี้ยทาไมท่านเหล่านั้นถึงบอกว่าเนื้อและเลือดจงแห้งเหือดหายไปเถอะจะเหลือแต่นหนังเอ็นและกระดูกก็ตามที ถ้าไม่บรรลุสิทธิที่เป็นอริยะเราจะไม่เลิกล้มความเพียรทําไมท่านต้องตั้งกันอย่างนั้นเหตุที่ต้องตั้งอย่างนั้นเพราะท่านเห็นโทษท่านเห็นโทษอะไรท่านเห็นโทษของสังสารวัรพราะคําว่าสังสารวัตรเนี่ยมันเป็นชื่อของขันธ์ธาตุอเยตนะที่มันเกิดขึ้นสืบต่อกันอย่างไม่ขาดสาย ทำไมขันธาตุอยายตนะของท่านเหล่านั้นจึงเกิดขึ้ น, นสืบต่อกันอย่างไม่ขาดสายเพราะท่านเหล่านั้นเอาขันธาตุอยายตนะไปตั้งไว้ในวัตถุที่ผิดเอาขันธาตุอยายตนะไปตั้งไว้ในคำสอนของปุรณะกัสปะเป็นต้นเมื่อไปตั้งไว้ในคำสอนที่ผิดผิดขันธธาตุอยายตนะมันก็เดินทางผิดและมันผิดมานานแล้วมันผิดมานานแล้ว ล่องผิดมันลึกเดี๋ยวมันก็คิดไปคิดไปมันก็ไปตกล่องเดิมคิดไปคิดไปมันก็ไปตกล่องเดิมนั่นแหละและมันจนทุกวันนี้หลายๆท่านไม่อยากจะตะเกียรตะกายออกล่องนั้นแล้วอันนี้คือปัญหาเนี่ว่าเราจะออกกับมันยังไงที่บางที่เนี่ยแค่เราไปเห็นเราก็ชอบไม่รู้จะชอบยังไง มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงที่บางที่ไปเกิดธอมนัตมันก็เกิดอย่างรุนแรงมันเกิดได้ยังไงถ้าไม่เกี่ยวกับสังสารวัตระบางรูปเนี่ยบางแห่งท่านไปเจริญกรรมฐานไม่ได้เลยนะกรรมคุณเล่นงานท่านแทบตายเลยเนะีมันไม่เกี่ยวอะไรอะ่ะทำไมชัยภูมิบางชัยภูมิจึงเหมาะแก่การเจริญสถิปติฐานบางที่ไม่เหมาะแก่การเจริญสถิติฐาน มันก็เขียนว่ามันไม่เหมาะกับการไม่รู้ใช่ไหมว่าผู้ที่ฉลาดในชัยภูมิต้องระดับพระบรมศ า, ศาสดาไม่ใช่ระดับพวกเราพวกเรานั้นคือคนบอดนะใช่ไหมใช่บอดด้วยคือไม่เห็นธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นใบด้วยแทนที่จะเอาคําพูดไปกล่าวว่าธรรมของพระพุทธเจ้าก็ไปกล่าวมิจฉาวาจากันยอ่เนี่ยเป็นใบไหมหูหนวกด้วย ไม่ได้ยินเสียงประธรรมของพระบรมศาสดาที่อุบัติมาตั้ง2 0 0พันกว่าปีและในสังสารวัตรนะ่ผ่านพระเจ้ามาเอายี่สิบสอ์ข้ายเนี่ยห้าสหนึ่งมืสองพยสิบดพระองค์แล้วแล้วเราไปอยู่ไหนกันเราไปอยู่ไหนลองถามตัวเองที่ว่าไปอยู่ไหนไปทำอะไรไปมัวประชมอยู่ที่ไหน การตัดสลูของพระพุทธเจ้าหรือไปเข้าสมาบัดอยู่ใช่ไหมพระพุทธเจ้าตัดสลูก็ไม่สะเทือนถึงใช่ไหมพระพุทธเจ้าออกบวชตัดพระเจ้าประสูตรก็ไม่ถึงตัดสลูก็ไม่ถึ ง, สถงแสดงธรรมจักรก็ไม่ถึงปองพระชนมยุสังขารก็สะเทือนสถานยังไม่รู้อยู่ปารินิพานก็ไม่รู้ไปอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวพระธาตุก็จะมาไปชมกันอีกสองพันกว่าปี แล้วอย่าใช้คําบอกฟาวโฟฟาวกันอยู่บ่อยๆเนี่ยมันเสียหายใช่ไหมเมื่อไรก็ไม่ได้สักทีเมื่อไหรก็ไม่ได้สักทีหน้ากรุณาไหมหน้ากรุณาใครถ้ารู้ว่าหน้ากระลุณ า, าต่อไปจะได้ไปเลี่ยมขัดเก่าต่อไปกลับไปจะได้สอนลูกให้น้อยลงบางทีบอกเนี่ยลูกทําไม่ดีบ้างอะไรบ้างไอ้นี่สอน ขัดเกลาวตัวเองเยอะๆการฟังธรรมคือการปฏิบัติธรรมเลยลองสังเกตในพระธรรมคาสอนของพระบรมศาสดาดิท่านที่บรรลุเพราะการฟังธรรมมากสุดมากจริงๆธรรมาจากกัปวัตนสูตรดทีท่า น, นัญญาโกรนัญญาได้ดวงตาเห็นธรรมเลพรหมสิบแปดโกรธไม่นับเทวดาแต่พวกเราไม่ได้เห็นไหมอันนี้บ่งบอกถึงว่าเขาฟังธรรมแล้วเขาบรรลุ แสดงว่าเขาฟังแล้วเขาได้ปราโมดพีตีประสะิธิความสุขก็เหมือนกับที่ว่าพระท่านสาธยายพระธรรมแล้วท่านบรรลุในสั่งยุศนะต้องไปดูดูในคัมภีร์สั่งยุศนะท่านสาธยายไปสาธยายไปแล้วท่านได้บรรลุฉะนั้นตรงนี้ท่านบอกว่าบูชาพระเจ้าคําว่าน้โมท่านนอบน้อมการนอบน้อมตรงนั้นเป็นกุศลเหมือนคําว่าตัดสระเนี่ยไม่ใช่คําว่าตัดสามุรังมหายานุ อุเปสีโพธิมันเรตัดสาบุตสาปาเดจ่าสะโพทยนนามมิฮังบอกพระบรมศาสดาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้มีพระญาณนันยิ่งใหญ่เสด็จเข้าไปใกล้ควงไม้โพธิพึกข้าพระเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระบาทของพระบรมศาสดาพระองค์นั้นพร้อมทั้งโพธิพึกนั้นด้วย ถามว่าเวลาไปที่ต้นพระสีมหาโพธิ์ถามเราคิดอะไรเราท่านทั้งหลายคิดอะไรอาจมาพูดค่อนข้างจะหลายหลายครั้งเนอะบอกว่าพระแท่นวัชระอาจพื้นแผ่นดิ น, นที่ตรงนั้นเวลาโลกจะก่อเทือกขึ้นมาโลกก็จะตั้งพื้นแผ่นดินตรงนี้ขึ้นมาก่อนเพื่อไว้รองรับ พระมหาบุรุษเอกของโลกที่จะมานั่งบัะทลเพื่อตัดสรุแม้ในคราวนี้โลกนี้จะแตกสลายใช่มจะวิบัติหรือจะหายไปดินน้ำดินน้ำไฟลมที่ประชุมอยู่กที่ตรงนี้จะถูกไฟถูกน้ำถูกลมทำลายเป็นชิ้นสุดท้ายท่านถึงบอกว่าดินน้ำไฟเป็นต้นเรเนี้ หรือลมเป็นต้นอะไนี้ที่จะมาทำลายสถานที่ตรงนี้ไม่มีใจยังรู้จักหลีกหลบในการที่จะเคารพพระบรมศารดาาถึงแม้จะทำลายสิ่งตรงนี้ให้เป็นไปตามกฎของคำว่าอ น, นิจจังลูกขังแลยนาตาก็ยังทำลายจุดอื่นมาก่อนแล้วก็มาทำลายที่ตรงนี้ทีหลังเราท่านทั้งหลายที่มีใจใช่ไหมเออมันไปไปมืดมาตั้งแต่เมื่ทําไมเราไม่เห็นคุณของท่าน พระบรมศา ส, สดามานั่งประทับตัดสรุปที่ตรงนี้โพธิมณฑลหรือโพธิบัลลังก์เนี่ยนะสถานที่ที่พระองค์ประชุมโพธิปักขีธรรมคือสติประธานสมประธานอทธิบาทอินทรีย์พละพุทธชงแล้วก็เดียมักที่ตรงนี้ควรไปดูควรไปแลควรไปคิดคืออะไรก็คือควรไปแดแลควรไปดูควรไปคิดว่า บารมี30สทัศที่พระองค์ทรงบ่มเพาะมาอย่างยาวไกลเนี่ยยี่สิบสิบหรือแปดสิบทั้งหลายเนี่ยกว่าจะมาประชุมโพธิปักคีย์ธรรมเนี่ยต้องแบกความทุกข์ของสัตว์โลกมาอย่างยาวไกลเพื่อเราท่านทั้งหลายเนี่ยเราเห็นพระคุณของท่านไหมเห็นพระมหากรุณาธิคุณที่ท่านอยู่ในห้องใจที่ยิ่งใหญ่ของท่านหรือไม่อะไรปิดบังสัตทินีเรา อะไรปิดบังปัญญินรีแล้วของเราอะไรปิดบังทำให้เราไม่เห็นคุณของพระบรมศาสดาอะไรปิดบังทำให้เราไม่เห็นโทษของสังสารวัตรการเห็นคุณของพระผู้มีภรคเจ้าน้อยก็เห็นโทษของสังสารวัตน้อยถ้าเห็นคุณของพุทธเจ้ามากก็จะเห็นโทษของสังสารวัตมากมันอยู่ที่ปริมาณศรัทธามากปัญญามันตาม เพรตัวเห็นการที่จะไปรู้คุณของพระเจ้านั้นจะต้องมีศรัทธานำใช่ไหมจะต้องมีศรัทธาสัตทินรีนํำนี้โดยการที่เราเลี้ยงสัตทินรียไม่ดีเลยในสังสารวัตที่ผ่านมาเนี่ยสัตทินรียของเราท่านทั้งหลายอ่อนแอมากหลายๆท่านเนี่ยฟังพุทธคุณนานๆไม่ได้เหมือนใจจะขาดเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ถ้าไปฟังเรื่องวัตถุกรารมฟังได้ทั้งวันนะ อันนั้นบ่งบอกอะไรรู้ไหมบ่งบอกว่าวิธีคิดของเราเนี่ยที่ไม่คล้อยตามพระธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยมันหนักขึ้นหนักขึ้นแล้ว <c oughs> เพราะเวลาเราจะคิดถึงคุณของพระบรมศาสดาคิดนิดๆหน่อยๆแล้วอึดอัดแต่ถ้าไปคิดในเรื่องกรรมคุณถ้าคุยเรื่องคุณของพระบรมศาสดาคุยกันได้ประเดียวประเด้าแล้วแต่ถ้าไปคุยเรื่องของวัตถุกรมคุยตั้งแต่เช้ายันเย็นเดี๋ยวพรุ่งนี้ต่อใหม่อย่างเงี้ย อันนี้บ่งบอกถึงอะไรบ่งบอกว่าตอนนี้ใจเรามันไปในเรื่องวัตุดูรามเยอะแล้วแล้วเราก็บอกว่าต้องเตือนตัวเองว่าตอนนี้คุณเริ่มจะกลายเป็นตอของวัตฏะแล้วถ้าคิดอย่างเนี้คุณจะถอนออกจากวัตฏะนี้ไม่ได้ฉะนั้นพระบรมศาสดาผู้มีพระญาณนั้นยิ่งใหญ่เสด็จเข้าไปใกล้ควงไม้โพธิพึกข้าพเจ้าขอนอบไหวพระบาทของพระบรมศาสดาพระองค์นั้นพร้อมทั้งโพธิพึกนั้น คำว่าโพธิเป็นมิตหมายแห่งการตัดสู้นุตระารสัมมาสัมโพธิญาณของพระบรมศาสดาต้นไม้อะไรถ้าหากว่าบรมศาสดาไปนั่งและได้ตัดสู้ต้นไม้ต้นนั้นจะเรียกว่าโพธิเพราะเป็นเหตุแห่งการตัดสู้ของพุทธเจ้าประการต่อมาคือพักขาวโตมาจากคาว่าพคกาวอคามเคนาปัญจมาเรอเสสโต พันชิตาวานาสศิขาปโตสัพลังกังนามหามิตังนี่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงชนะมารทั้งห้าพร้อมทั้งกองทัพโดยสิ้นเชิงด้วยอรหัตมะขญานและก็บรลุอนุตตรสัมมาสัมพธิญานข้าพระเจ้าขอน้อมไหว้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพร้อมด้วยโพธิบัลลังนั้นพระบรมศาสดานี่ชนะขันธมารแล้ว ชนะกิเลสมานเทวปุตตมารอภิสังขารมานแล้วก็มัจจุมานถามว่าโดยเฉพาะว่าชนะกิเลสมานก็คือราคะโทสะโมหะใช่ไหมที่บริเวณโพธิมณฑลนะพระองค์ก็ดําเนินอาราธมัครอาราธผลให้เกิดขึ้นในกระแสะขันของพระองค์ได้เบ็ดเสร็จที่บอกบารมีของพระองค์เต็มนั้นนะ่ะที่เป็นเหตุแห่งบรมธรรมบรมธรรมก็คือการตัดสู้นุตตะสัมมาสัมโพธิญาณของพระองค์ใช่ไหม คำว่าสัมมาสัมโพธิที่พระองค์ได้สัพพัญยุตยานเนี่ยสัพพญยุตยานนั้นเป็นชื่อของมหากิริยาญาณนะสัมยุญทีนี้สัพพัญยุตยานเก่าคือมหากริยาญาณนสัมยุญจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยอาราธพนเป็นปัจจัยอาราธผลก็มีอาราธมารเป็นปัจจัยเป็นต้นทีนี้อาราธมารนั้นก็มีพวกกลุ่มวิปัสนาญาณทั้งหลายเป็นปัจจัย วิปัสนายานเหล่านั้นก็มีสมาธิเป็นปัจจัยเป็นต้นเหล่านี้ก็เดินไปตามสายไปตามลําดับสมาธิก็มีความสุขเป็นปัจจัยความสุขก็มีปัสสัทธิเป็นปัจจัยปัสสัทธิก็มีปีติเป็นปัจจัยปีติก็มีปราโมทเป็นปัจจัยปราโมทก็มีอวิปฏิสารอวิปฏิสารก็มีกุศลศีลทั้งหลายเป็นปัจจัยนะทีนี้ศีลเป็นปัจจัยแก่ความอวิปฏิสารคือความไม่เดือดร้อนใจความไม่เดือดร้วนร้อนใจก็เป็นปัจจัยกับปราโมท ปลาโมดก็เป็นปัจัยแก่ปีติปีติเป็นปัจัยแก่ปัจสถานะปัจสถานะเป็นปัจัยความสุขความสุขก็เป็นปัจัยแก่สมาธิสมาธิก็เป็นปัจัยแก่ยะถาภูตยานัทสนะยะถาภูตญาทัทสนะก็เป็นปัจจัยแก่นิพิทาวิราคะวิราคะเป็นชื่อของมรดโดยเฉพาะอาราธมรักอันนี้หมายถึงสูงสุดอราธมรักก็เป็นปัจัยแก่ผลผลก็เป็นปัจัยแก่ปัจเจเวกณาปัจเจเวกณะก็เป็นปัจจัยแก่ สพัญญุตยานคือหากริยาญาณะสำเป็นต้นถ้าเรามองในลักษณะ น, นี้เราเห็นอะไรหรือไม่เห็นเส้นทางการตัดสรู้ของพระผู้มีพระภาคเจา้าในการกําจัดอะไรกําจัดกิเลสมานแล้วเมื่อกําจัดกิเลสมานได้แล้วชื่อว่ากําจัดอภิสังขารลมานคือเจตนาทั้งหลายที่พระองค์เคยทํากรรมมายิ่งกว่า20สประสงค์ไขแสนกลับ ทั้งกุศลกรรมและอกุศลกรรมโดยเฉพาะเริ่มตั้งแต่ยีประสงค์ขายยิ่งด้วยแสนกับเนี่ยโดยมากเป็นไปกับการบ่มบารมี30ทัศน์นิ่นึงและก็เริ่มอุกฤษขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆตามลำดับจนในที่สุดบารมีเหล่านั้นเต็มถามบอกว่าบุญกุศลที่เกิดขึ้นจากการบ่มพ่อบารมีของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายถามว่าถ้าจะให้ผลให้แก่ขันเนี่ยปริมาณของบุญนั้นจักมากเพียงไรถามว่าเอาโลกมากองสักแสนใบนยังยังน้อยกว่า ยังน้อยกว่าบุญของพระโพธิสัตว์ที่ทําไว้ของพระพุทธเจ้า ท, ที่ทําไว้ฉนั้นปริมาณของถามว่าที่เรามองเห็น <c oughs> เห็นท่านทั้งหลายมองเห็นกันเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้พระโพธิสัตว์ทั้งหลายนำบูชาคุณของพระพุทธเจ้าหมดแล้วฉนั้นท่านบูชาโดยวัตถุทานท่านบูชาเกลี้ยงหมดพบทุกพบท่านเอาบูชาคุณของพระพุทธเจ้าหมดทรัพย์สมบัติทั้งหลายที่มีอยู่ในภพทั้งสิ้นเอาบูชาคุณของพระพุทธเจ้าหมด ดอกไม้นาพาพันทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกทั้งสิ้นในจักรวาลทั้งสิ้นท่านอบูชาคุณของพระบรมศ า, ศาสดาหมดแล้วเพชรนินจินดาทั้งหลายที่มีอยู่ของหอมทั้งหลายตลอดถึงของเคี้ยวของกินของบริโภคทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกทั้งสิ้นท่านนําไปบูชาคุณของพระบรมศาสดาเพื่อเป็นปัจจัยแก่การตัสรุปพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหมดสิ้นแล้วท่านอบูชาอาสาธรายานหกของพระพุทธเจ้าได้เกลี้ยงหมดแล้ว ฉะนั้นปริมาณแห่งบุญที่ท่านมานะท่านมานะแค่ภาลนาก็ไม่หมดอยู่เลยที่ท่านถึงภาลนาบอกว่ามีปากร้อยปากมีลิ้นร้อยลิ้นแต่และลิ้นไม่ได้ทำกิจอะไรอย่างอื่นแล้วทํากิจในการสรรเสริญคุณของพทะเจ้ากลับนี้สิ้นไปนะคุณ <insky? S 1> ของพระเจ้าก็ไม่หมดเอาพระเจ้าด้วยกันเนะี่ยมาสรรเสริญคุณของพระเจ้าจึงกับนี้สิ้นไปเนี่ยคุณของพระเจ้าก็ไม่หมดอันนั้นเนะะ่ยต้องคิดให้เป็นเดี๋ยวคิดไม่เป็นขึ้นมาเดี๋ยวมันจะได้แค่ตัวเลข อัถฐะไม่ถึงเพราะอัถฐะไม่ถึงก็มองเป็นไปได้หรือเห็นไหมมันก็เหมือนบอกว่าก็เหมือนกรณีที่ที่ในทํานองบอกว่าเราเรามีความสามารถอยู่เพียงแค่นี้แต่เราก็คิดว่ามันน่าจะมีแค่นี้ทั้งหมดแท้จริงสิ่งต่างๆนมันเกินกว่าปัญญาของเราท่านทั้งหลายที่จะคิดนะเนองท่นตรงเนี้ถึงบอกว่าพระพุทธเจ้าก็กําจัดกําจัดเจตนา อภิสังขารละมารทั้งหลายเพราะว่าผลบุญเหล่านั้นหลั่งไหลมาอีกไม่รู้กี่แสนชาติผลบุญเหล่านั้นก็ไม่หมดแต่พระองค์ก็ทิ้งหมดเลยทิ้งเจตนากรรมเหล่านั้นหมดเลยแล้วผลที่ตนเองจะได้รับหมดเลยเห็นไหมว่าจะได้เห็นชัดว่ามารเนี่ยท่านถึงสลากขันให้กับมารให้พยามารได้ทราบว่าหนึ่งตถาคตตรัสรู้มาไม่ใช่เพื่อสกาะ ไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อ阿รหัตผลที่มีพระนิพพานเป็นอารมณ์เห็นไหมไม่ใช่เพื่อตัวสัพพัญญตญาณตรงนี้อันนั้นไม่ใช่เป้าสูงสุดนะแต่สูงสุดจริงๆเพื่ออนุปาทาปรินิพพานคือการดับโดยไม่มีส่วนเหลือแต่พระตถาคตมีพระมหากรุณาที่คุณเมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วเนี่ยพระองค์ก็จักน้อมบุคคลอื่นสัตว์อื่นให้ตรัสรู้ตามด้วย ฉะนั้นพระองค์จึงกําจัดมารทั้ง5มีขันธ์ถ้มารไหมกําจัดเรียบร้อยพระองค์ไม่ต้องไปแบกรับขันธมานขันธภาระอีกแล้วฉะนั้นที่ท่านใช้คําว่าสัมภาระวิบากที่เราจะศึกษากันเนี่ยมันเป็นภาระจริงๆถ้าใครจะปรารถนายิ่งใหญ่ๆ่ยิ่งใหญ่อย่างพระองค์นี่ยเป็นภาระอย่างมโหสารอย่างมโหรานถ้าจะตัดสโลเองเนี่ยง่ายในในในทัศนาของท่านเนี่ยไม่ยาก เพราะท่านนั้นเป็นผู้มีอิทซีอินรีย์แข็งแรงหนึ่งศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาของท่านเนี่ยเข้มแข็งแข็งแรงไม่ใช่เป็นศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาธรรมดาเหมือนเราท่านทั้งหลายเพราะเป็นศรัทธาวิริยสติสมาธิที่ถูกบ่มถูกเพาะถูกเลี้ยงมาอย่างดีก็แปลว่าถ้าเป็นโคเป็นวัวเนี่ยมันไม่ใช่เป็นโครหรือเป็นวัวธรรมดามันเป็นโครหรือเป็นวัวอุสุภะ และก็พันของเขาก็เป็นพันของโคอุสุภะเวลาลูกเขาเกิดมาเนี่ยเราท่านทั้งหลายเนี่ยนะเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าในฐานะเป็นภิกษุเป็นอุบาสกเป็นวาสกาอุบาสิกาเนี่ยอันนี้ถือว่าเราเนี่ยเป็นลูกพันโคอุสุภะศรัทธาวิริยาสติสมาธิปัญญาของเราก็มี แต่เราเนี่ยเอาลูกโคอุสุภาคือศรัทธาวิรยาสติสมาธิปัญญาไปเลี้ยงปนกับโคเชือดโคตุนเนะ่ยโคที่เขาเลี้ยงขายเลี้ยงนึ ก, น ก, นกมันก็เลยไปเสพติดวิธีคิดมันเลยกลายเป็นศรัทธาอย่างต่ำวิรยาสติสมาธิปัญญาอย่างต่ำแล้วเดี๋ยวนี้มันจะแกนหรื อ, อยังก็ไม่รู้ใช่ไหม วิธีเขาจะเลี้ยงลูกโคอุสุภะเขาต้องพากันออกจากแม่เออพากมันออกจากคอกของโคที่มันไม่ใช่ไม่ใช่โคที่มันเป็นโคเลี้ยงแล้วามาเลี้ยงต่างหากแล้วต้องมาให้อาหารมันอย่างดีต้องบำรุงมันอย่างดีต้องดูแลคอกมันอย่างดีแล้วตอนนี้ท่านทั้งหลายล่ะดึงศรัทธาออกมาหรือยังจากวัตถุกรมหรือยังดึงวิริยะสติสมาธิปัญญาออกจากวัตถุกรรมหรือยัง ถ้าดึงออกมาแล้วก็เลี้ยงมันให้ดีให้อาหารมันให้ถูกอาหารของสัตว์ทินรียมียังไงให้ให้ได้อย่าไปให้แบบเดิมๆถ้าให้แบบเดิมๆ ม, มันก็เอาศรัทธาไปประกอบอาชีพการงานมันก็จมอยู่ในวัตานี่แหละถ้าให้อย่างเดิมๆ ม, มันก็เอาความเพียรที่เกี่ยวกันนั่นแหละเพียรในการถู บ, บ้านบ้างเพียรในการซักลีดบ้างเพียรในการที่ไปนั่งเถียงกันบ้างอะไรบ้างนี่ก็อยู่งั้นวันๆไม่มีอะไรหรอกนะ